แม่ชีมาจากไหนกันเป็นไงสติเกิดยังแม่ชีอะไรภาวานาเป็นไงยังไม่ค่อยเกิดค่ะยังบังคับตัวเองไหมมีบ้างค่ะรู้ทันนะรู้ทันแล้วทันบ้างไม่ทั น, บ, ทนบ้างค่ะเดีย๋ยวไปฝึกบังคับตัวเองเราไม่ได้ฝึกเก็บกดเราฝึกรู้ทันตัวเอ ง, ไ ป, เองไปรู้กายรู้ใจไปเห็นในร่างกาย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 หรือจิตใจเราพอโกรธขึ้นมาเราก็กําหนดโรคขึ้นมาเรากําหนดกําหนดแล้วมันหายมันจะรู้สึกว่ากูเก่งขึ้นมนได้เฉะนั้นสมถะกรรมฐานเป็นเครื่องแก้อารมณ์มาทําแล้วมันจะปลุกฝังอัตตาอย่างพวกฤๅษีชีไพรนะก็ะทํามาก่อนพวกเรานะเพ่งไปเรื่อยๆไ ม, ไม่ไม่หิวไม่หนาวไม่ร้อนอนยะอยู่ได้ ไม่กินข้าวอยู่ได้เป็นเดือนแต่เขามีความเห็นผิดว่าจิตเป็นอัตตาเขาเขารู้สึกว่าบังคับได้ในขณะที่ศาสนาพุทธเราเนี่ยต้องการให้ดูลงมาในกายในใจนี้เห็นว่ามันไม่ใช่เราแล้วก็วันหนึ่งไม่ยึดถือมันเพราะเราไปสำคัญมั่นหมายว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเรานะนั่นก็เลยเกิดความดิ้นรนอยากให้กายอยากให้ใจมีแต่ความสุข อยากให้กายอยากให้ใจพ้นทุกข์พอเกิดความอยากอย่างนี้ขึ้นมาหรือมีตัณหาขึ้นมาจิตใจดิ้นรนจิตใจทีนน่โดนปรุงแต่งจิตใจจะมีความทุกข์ขึ้นมาอีกตัณหาทำให้เกิดความทุกข์ตัณหามาจากอวิชาความไม่รู้ความจริงสำคัญมั่นหมายว่ากายกายใจเป็นเราด้วยนั้นเราภาวนาเนี่ยเพื่อละความเห็นผิดก็สู้กับความเห็นผิด เราภาวนาไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นนะแต่เพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐินั่นเองให้เกิดความเห็นถูกความเห็นถูกว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเร า, าเห็นถูกอย่างนี้แล้วก็จะค่อยคลายความทุกข์ออกไปได้ได้ๆความดิ้นรนทางใจมันจะลดลงลดลงในที่ส่วนมันจะเหลือแต่ความทุกข์ทางกายแต่ทางใจไม่ทุกแล้วเาใจมันไม่ดิน้นไม่ฉี่ดวออกไหมเวลาเกิดความอยากขึ้นมาใจจะดิ้นรน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 โลภขึ้นมาโลภหนอแล้วหายโลภฟุ้งซ่านแล้วฟุ้งซ่านหน่อหายฟุ้งซ่านมันจะฝังความรู้สึกว่าเราบังคับได้เราะงั้นอย่าไปกําหนดอย่าไปเพ่งให้รู้อย่างที่เป็นในสติปัฏฐานจริงๆไม่มีคําว่ากําหนดนะกําหนดเป็นภ า, า, ษ, าษาเขมรมันจะคำว่ากดกดสังเกตไหมเมื่อไรเราไปดูเราชอบไปกดไปข่มมันมันจะนิ่ง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 รู้ไม่ใช่อะไรรู้ไม่ฉิจจิตชิดไม่ใช่รู้ใช่ไหมรู้ไม่ใช่เพ่งเพ่งก็ไม่ใช่รู้คําว่ารู้เนี่ยเป็นมีคําประหมายของงานที่ซ้อนกันอยู่อันหนึ่งรู้ด้วยสติอันหนึ่งรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติเนี่ยเราจะรู้สิ่งที่เรียกว่าสภาวะของแต่ละอย่างแต่ละอย่างสภาวะของความโลภความโกรธความหลง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 ถึงไม่รู้ชื่อก็ไม่เป็นไรนะแต่เราเห็นลักษณะเห็นสภาวะอะไรบางอย่างที่แปลกแปลกขึ้นมาแปลกปลอมจากปกติขึ้นมาอันนี้เป็นหน้าที่ของสติไปรู้เข้าส่วนปัญญาเนี่ยจะเข้าใจสามัญญลักษณะสติเข้าเข้าใจรูจจ้จักวิเศษลักษณะลักษณะเฉพาะลักษณะพิเศษเฉพาะปัญญาเข้าใจสามัญลญักษณะลักษณะร่วมของทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นไตรลักษณ์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 บางคนเห็นว่าโอนี่ทุกอย่างนี้ไม่เที่ยงนะที่เห็นไม่เที่ยงได้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงได้เพราะเห็นลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างนี้เกิดแล้วดับไปเรื่อยๆก็เลยได้ข้อสรุปว่าทุกอย่างไม่เที่ยงหรือบางคนเห็นลักษณะเฉพาะนี้เกิดดับเกิดดับไปแล้วก็ได้ข้อสรุปออกมากว่าทุกอย่างทนอยู่ไม่ได้บางคนก็เห็นลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเกิดดับไป แลเกิดปัญญารวบยอดมนะัทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวเราเลยเพียงเห็นไจรักษณ์ในมุมใดมุมหนึ่งเนี่ยจิตก็เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ยมันจะไม่ยึดถือในสิ่งที่มันแจ่มแจ้งแล้วมันจะไม่ยึดกายก่อนไม่ยึดกายจะส่งภูมของพระอนาคามีต่อไปมันจะไม่ยึดถือจิตจะส่งภูมพระอระหันต์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 ร้จัจิตที่แอบไปคิดได้ยังรู้จากกําหนดเนี่ยองกาหนดก็ไม่เอานะพวกเราขิดตรงนี้แหละผิดตรงที่ชอบกําหนดนะกําหนดมันเจอด้วยโลภะไม่ใช่สตินะมันเป็นโลภะเจตนาถ้าเราเรียนอริธรรมนิดหนึ่งเราจะเข้าใจองธรรมของมันได้ชัดพูดออกมาได้ชัดเราจะรู้เลยว่าที่ทําอยู่มันไม่ใช่หรอก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 พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะว่าให้ดูท้องผ่องยุบไม่ได้สอนนะเดินจงกรมท่านก็ไม่ได้สอนว่าให้ยกเท้ายั่งเท้าท่านมีแต่สอนบอกว่ายือนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้เดินท่าไหนท่านสอนไหมท่านก็ไม่ได้สอนว่าให้เดินท่าไหนเดินท่าไหนก็รู้สึกในท่า น, นั้นแหละแล้วก็เห็นว่าตัวที่เดินอยู่ไม่ใช่เราท่านสอนอย่างนี้ต่า ง, งหาก หรือพวกเราหายใจพวกเราก็ชั้นเชิงมากเวลากําหนดลมหายใจรู้สึกไม่มีฐานต้องกระทบปลายจังไอน์ปากกระทบปลายจมูกลมกระทบเรดานลมกระทบคอลมกระทบอกลมกระทบท้องอะไรแหมมีฐานเยอะแยะเลยในขณะที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนท่านบอกหายใจออกยาวพอรู้หายใจเข้ายาวพอรู้สอนอย่างนี้คําว่ารู้ก็คือรู้ว่าไอตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่เราต่างหากไม่ใช่ไปกําหนดเป็นจุดๆไปเรื่อย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 จะแจ้งขึ้นมาเลยจิตมันวางทันทีที่มันวางรูปนามทิ้งปั๊บนิพพานปรากฏตรงนั้นเลยในขนาดจิตนั่นแหละที่เรียกว่ามรรคจิตดังนการภาวนาจริงๆไม่ยากมันยากที่เราขึ้นต้นทางไม่ถูกต้องเรียนคำสอนของรพระพุทธเจ้าให้ดีๆนะแล้วง่ายเชื่อหลวงพ่อถึงง่ายจริงๆ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 อาจารย์มหาบัวอาามหาบัวไปฟังวิทยุท่านท่านมีคนมาถามเรื่องสมถะนนท่านะบอกโอ้ไม่เอาขี้เกียจพูดไปอ่านเอาเองไปฟังเอาเองพูดไปเยอะแล้วทําไมไม่พูดเรื่องปัญญาบ้าเรือรู้สึกจืดชืดจืดชืดเวลาหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์นะท่านจะคึกคักเอเรียนธรรมะล้วนล้ว น, รวนครูบาอาจารย์คึกคักสดชื่น เรียกว่ามีธรรมปิติกปิติในธรรมะเงอนพวกเราปาวนาให้ดีๆนะหลวงพ่อจะได้มีธรรมปิติ <g iveness> ถ้ามีแต่โอ้มาเล่าแต่เรื่องนั่งไปแล้วเห็นนู่นเห็นนี่นะหลวงพ่อก็ขี้เกียจฟัง <c oughs> <fe Level> เสียเ ว, เวลาแม่ชีใจรอยละรู้สึกไหมมันหลงไป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 หรือเราภาวนาเราเป็นเราได้ดวงตาเห็นธรรมเราได้โสตาเพราะเราฟังธรรมะของท่านผู้ใดใจเราจะรู้สึกในท่านผู้นั้นเป็นพ่อเราเป็นทั้งพ่อทั้งแม่นะแล้วถ้าเราเราฟังธรรมของท่านผู้ใดได้สกิทาคาได้อนาคาได้พระรหันเราจะรู้สึกว่าท่านผู้นั้นเป็นพี่เราเป็นพี่ดุสิตฐานะต่ํากว่าได้โสดานะ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 ฟังธรรมของท่านผู้ใดได้โสดาบันนะท่านผู้นั้นคือพ่อคือแม่เลือดเนื้อจิตใจของเราเนี่ยเวลาเรารึกถึงท่านเหมือนท่านอยู่ในตัวเรานี่เองท่านอยู่ในตัวเราเรียนธรรมะกับหลวงพ่อไม่ต้องซีเรียสนะคนจนคนรวยเสมอกันหมดเลคนฐานะดี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 หลวงพ่อบอกว่าถูกต้องแล้วสังเกตซิทำไมหลวงพ่อว่าเมื่อกี่ถูกจิตใจเราเป็นยังไงเราทำอะไรอยู่ทำไมหลวงพ่อว่าถูกนะซื่อเรียนกยนไปอย่างนี้วิธีสอนอย่างหลวงพ่อไม่มีใครสอนหรอกนะไม่มีใครสอนเราเปนปรึงตัวเองก็ไม่ค่อยอยากสอนกันเป็นเหนื่อยอยันเรียนแล้ว ค, ค, ค่อยสังเกตเราสังเกตบางวันนะเจอพวกเชี่ยวเล็บยาวมีนะ การเขี้ยวกางเล็บมาโอ้เห็นแล้วน่าสงสารมันไม่ใช่น่ากลัวนะมันน่าสงสารามาด้วยใจซื่อใสๆนะมาด้วยใจที่เปิดกว้างมาฟังแป๊บเดียวเขาเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเรามาแต่ไหนแต่ไรแต่เราไม่เคยสนใจที่จะดูมันเราถูกความหลงผิดความเข้าใจผิดๆเราถูกทิฏฐิมานะหลอกลวง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 เราเป็นแค่ความคิดปลุกขึ้นชั่วขณะเท่านั้นเพความหลงผิดนี่ได้โสดาละก็มารู้กายรู้ใจของเราต่อไปเรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกไปถึงจุดหนึ่งมันก็แจ้งเลยกายนี้ทุกข์ล้วนๆภาวนาต่อไปถึงจุดหนึ่งก็แจ้งจิตนี้ทุกข์ล้วนๆจะแจ้งถึงจิตเป็นทุกข์ล้วนๆท่านี้แจ้งนิพพานแล้นิพพานเต็มบริบูรณ์ต่อหน้า ต, ต่อตา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 พราเราไม่รู้ความจริงว่ากายกใจไม่ใช่เรานะแต่ไปสําคัญมั่นหมายว่าเป็นเราคนโง่ก็ปรุงแต่ง่ายชั่วทำยังไงกายกใจจะมีความสุขก็ต้องวิ่งหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจมาตอบสนองมันเรื่อยๆแล้วจะมีความสุขไปดูหนังไปฟังเพลงไปกินของอร่อยไปคิดเรื่องราวสนุกสนานแล้วจะมีความสุขนี่อาปุญญาที่สังขารเกิดจากความหลงผิดเหมือนกันคิดว่า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 คนที่มาใหม่ๆที่ไม่เคยฟังหลวงพ่อนะเดี๋ยวรับสองพูดให้ง่ายกว่านี้นะรอบนี้ขอคุยกับแม่ชีอุมามาจากเชียงใหม่ ย, ยากนะนักบวชลําบากไม่เหมือนโยมหรอกรวยเนี่ยบินมาก็ได้ <c oughs> หลวงพ่อเห็นใจนะคนยากคนจนเรียนธรรมะลำบากอย่างบางทีกว่าจะไปเรียนได้นะเก็บเงินหาค่ารถหาวันลาหาอะไรนะลําบาก คร้านี้เหลือสามนาทีคมไม่ได้ตรวจกันบ้านแม่ชี้ยังไงเข้าใจไหมดัดดูเอานะดูดูได้ใจซื่ อ, อหมายถึงว่าร่างกายเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างงั้นจิตใจเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นงั้นไม่ต้องดีก็ได้นะเช่นจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วก็เห็นว่าจิตที่ฟุ้งซ่านเราบังคับมันไม่ได้หรอกมันฟู้ของมันเองจิตสงบรู้ว่าสงบ ก, ก็ไม่ต้องไปดีใจกับมันนะก็แค่เห็นนะ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 ท่านถ้าเราฟังหลวงพ่อพูดไม่เข้าใจนะการภาวนานเราจะยืดเยื้อมากเลยจะต้องลองผิดลองถูกอีกนานเลยนี่หลวงพ่อลองผิดลองถูกมานานนะแล้วก็สรุปออกมาจนธรรมะเรียกว่ามันมันแจ่มแจ้งแนะ้วนะมันอยู่ในฝ่ามือแล้วะฟังไปเรื่อยๆเข้าใจตามแล้วไม่เหนื่อยหรอกไมนี่อฝ่าหลวงพ่อจะตื่นขึ้นมาครั้งแรกนะหลวงพ่อนั่งโดดจากสุรินยานกรุงเทพตื่นได้แวบเดียว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 8โมงพอดีเชิญไปทานข้าวไปแม่ฉีเชิญไป